มาบำเพ็ญมาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตจิตใจของพวกเราเพราะจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใด ใ, ในโลกนี้ เพียงแต่ว่าในขณะนี้จิตใจของเรายังไม่ได้รับการพัฒนายังไม่ได้รับการเจรไนจึงยังเป็นจิตใจที่ต่ำต้อยไม่ค่อยมีคุณภ่าเท่าไหร่ไม่เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวบทั้งหลายที่ได้รับการเจรไน จนกายเป็นเพชรน้ำหนึง่งที่เราเรียกว่ารัตนะเนี่ยจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้รับการเจรในจนกายเป็นเพชรน้ำหนึง่งเป็นจิตใจที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยพระคุณอันประเสริฐต่างๆเช่น อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเทวามนุษย์สานม์คือเป็นจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมด้วยพระปัญญาเต็มเปีเป่ยมด้วยพระมหากรุณาคือความเมตตาต่อสรรโลกจิตใจของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ได้เพราะ พระองค์ทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติพัฒนาจิตใจของพระองค์ด้วยการบำเพ็ญทานรักษาศีลด้วยการภาวนาอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้มาทำกันพวกเราก็กำลังเจรไนเพชรของเราคือใจของเราซึ่งตอนนี้เป็นเหมือนเพชรที่เพิ่งขุดขึ้นมาจากดิน ยังมีสิ่งที่สกปรกต่างๆหุ้มค่ออยู่จำเป็นจะต้องเอาไปชำระแล้วก็เอาไปเจรั ย, รยให้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาพวกเราใจของเราทุกคนกับใจของพระพุทธเจ้าและของพระอารหรันตสาวกทั้งหลายนี้เป็นใจเหมือนกันคือเป็นธาตุรู้ต่างกันตรงที่ เป็นฐารู้ที่ยังไม่ได้รับการเจรไนธาตารู้ของพระพุทธเจ้าได้รับการเจรไนจนสะอาดบริสุทธิ์อรหันตะนี่แปลว่าความสะอาดบริสุทธิ์ผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงเมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้ว ก็จะเป็นจิตใจที่เต็มเปลี่ยนด้วยความเมตตากรุณามุนิตาโอเบขาเป็นจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยปัญญาความรู้ที่จะรักษาจิตใจไม่ให้ถูกความทุกข์ต่างๆมาเหยียบย่ำทําลายได้เลยแล้วความรู้อันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้ทรง นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกคือความรู้ที่จะพัฒนาหรือจิรนัยใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้กลายเป็นใจของพระอริยะขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพะระอรหันต์เป็นสิ่งที่ สัตว์โลกทั้งหลายสามารถทําได้และเป็นโชควาสนาของสัตว์โลกที่ได้มาพบกับพ่อพุทธเจ้าหรือคําสอนของพ่อพุทธเจ้าที่จะสอนให้สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายได้รู้ถึงคุณค่าของจิตใจของตัวพวกเราให้รู้ถึงคุณค่าของการเจรไน จิตใจของเราให้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาถ้าเราไม่ได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้พบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ถึงความสําคัญของใจของเราและความสําคัญของการซักพอก ใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ชีวิตของเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปหาก้อนอิดก้อนโกรธที่ไม่มีคุณค่าแก่จิตใจแต่เป็นโทษกับจิตใจเช่นลากยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นสิ่งที่พวกเราอยากจะได้กัน และขวนขวายหากันอยู่ทุกวันนี้จิตใจของพวกเราจึงถูกความทุกข์เหยียบย่มอยู่เป็นระยะระยะและจะถูกเหยียบย่าต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดหลังจากที่ตายไปแล้วใจก็ยังต้องไปเกิดใหม่แล้วก็ไปรับกับความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดจากการเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้เจรนายได้ซักฟอกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาพวกทั้งหลายที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายความพลดพลาจากสิ่งที่รักที่ชอบเพราะไม่มีการเกิดนั่นเองดังนั้นถ้าองค์จึงทรงตรัสว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นดาบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ราบนั้นก็ยังจะต้อง มีการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบดังนั้นพวกเราถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกเราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภหรือความอยากต่างๆให้หมดออกไปจากใจ เมื่อหมดแล้วก็จะไม่มีเชื้อของภพชาหรือไม่มีเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรที่จะผลักดันให้จิตใจตั้งไปเกิดใหม่อกีกพวกเรานี้ถึงแม่รู้ว่าการเกิดไม่ดีและไม่อยากจะเกิดอีกแต่ความไม่อยากจะเกิดเพียงอย่างเดียวในขณะนี้ ไม่พอเพียงต่อการตัดภพตัดชาติเพราะเรายังมีความอยากในสิ่งอื่นๆ อ, อยู่เรายังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์เรายังมีความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากรวยอยากมีความสุขมากๆอยากมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเป็นต้นหรือ ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ถึงแม้จะมีความอยากไม่เกิดก็ตามความอยากไม่เกิดนี้จะไม่มีกําลังพอที่จะต่อต้านกับความอยากที่เรายังมีอยู่ภายในใจเราต้องบําเพ็ญคือเราต้องศึกษา และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วเราก็ทำไปทำไปแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาคือความอยากต่างๆที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของเรา ก็จะค่อยๆหมดไปทีละเล็กทีละน้อยและหมดไปได้ในที่สุดถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยัง้งไม่ท้อถอยถึงจะยากจะลำบากถึงจะทุกข์ทรมานบ้างก็ขอให้เรานึกถึงผลที่จะตามมา คือความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราเปรียบเทีย บ, ยบก็เหมือนเรามีโรคร้ายอยู่ในร่างกายของเราซึ่งจําเป็นจะต้องให้หมอเขาผ่าตัดออกไปการผ่าตัดมันก็ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อมีความเจ็บปวดเป็นธรรมดา แต่หลังจากที่ได้ผ่าเอาเนื้อ้ายออกไปแล้วเราก็จะหายเป็นปกติจะไม่มีความเจ็บปวดจากเนื้อรายนั้นอีกและชีวิตของเราก็จะอยู่ต่อไปได้อีกแต่ถ้าเรากลัวความเจ็บกลัวความกลัวการเสียเนื้อเสียเสียเลือดในการผ่าตัด แล้วไม่ยอมผ่าตัดปล่อยเนื้อร้ายทิ้งไว้มันก็จะสร้างความเจ็บปวดให้แก่ร่างกายและในที่สุดเราก็จะต้องตายไปก่อนเวลาอันควรแต่ถ้าเรายอมกัดฟันยอมให้หมอเขาผ่าให้เขาตัดเพื่อที่จะทำลายทาลายเนื้อร้ายนี้ออกไปจากร่างกาย หลังจากนั้นไม่นานความเจ็บปวดก็จะหายไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขสบายถ้าไม่ผ่าก็จะต้องอยู่อย่างเจ็บปวดไปจนวันตายฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่มีเนื้อร้ายอยู่สามก้อนด้วยกันคือกามาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลภภิภัณฑ์ วิภพะวะตันหาคือความอยากในอยากมีอยากเป็นวิภพะวะตันหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือเนื้อรายของใจที่เราจำเป็นจะต้องถาออกไปจากใจเพื่อจัดใจของเราจะได้หายจากความทุกข์ต่างๆ เพื่อใจของเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปความอยากไม่เกิดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ไม่เพียงพอเหมือนกับเราอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรืออยากจะเป็นอะไรสักอย่างหงเราก็ต้องดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมาย เป้าหมายที่เราต้องการเราต้องการที่จะให้ร่างกายหายจากโกรคร้ายเราก็ต้องไปหาหมอให้หมอเขาผ่าตัดแล้วโรคร้ายนั้นก็จะหายไปเราต้องการที่จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องทำลายความอยากทั้งสามส่วนที่มีอยู่ในใจของเรา ให้หมดสิ้นไปและวิธีที่เราจะทำลายได้ก็คือการบำเพ็ญทางศีลและภาวนานี้เองที่พวกเราทั้งหลายกำลังบำเพ็ญกันอยู่แต่ยังบำเพ็ญกันน้อยไปหรือไม่มากพอที่จะทำลาย ความอยากต่างๆให้หมดไปได้เพียงแต่ทำให้มันเบาบางลงไปบ้างแต่ยังไม่สามารถทำลายให้มันหมดไปได้จะทำลายให้หมดไปได้การทำทานของเราก็ต้องเต็มรอยการรักษาศีลของเราก็ต้องเต็มรอยการภาวนาคือสมถะภาวนา และวิปัสสนาภาวนาก็ต้องเต็มร้อยจึงจะสามารถเอาความอยากทั้งสามออกไปจากใจได้พวกเราตอนนี้ทําทานยังไม่เต็มร้อยรักษาศีลยังไม่เต็มรอยภาวนายังไม่เต็มร้อยกันดังนั้นผลจึงไม่เต็มร้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของเหตุและผล ทำได้เท่าไหร่ก็จะได้ผลเท่านั้นถ้าเรามีนาอยู่สิบไร่เราปลูกข้าวเพียงหนึ่งไร่ผลก็จะได้เพียงร้อยละสิบเท่านั้นเองถ้าเราอยากจะได้ร้อยทั้งร้อยเราก็ต้องปลูกข้าวทั้งสิบไร่เมื่อเราปูกเต็มที่แล้วผลก็จะออกมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันดังนั้น การปฏิบัติ n ี้จึงอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนที่จะปฏิบัติกันปฏิบัติมากก็ได้มากและได้ไปถึงก่อนปฏิบัติน้อยก็จะได้น้อยและจะไปถึงทีหลังหรืออาจจะไม่ถึงเลยก็ได้เพราะว่าเวลาที่เราจะมีโอกาสปฏิบัตินี้มันไม่มี มันไม่มีแบบไม่มีสิ้นสุดมันมีขอบมีเขตเพราะชีวิตคือร่างกายของเรานี้มันมีอายุไขและมันไม่แน่นอนด้วยว่าจะอยู่ครบอายุขเช่นแปดสิบปีหรือร้อยปีหรือไม่อาจจะมีอุบัติเหตุหรืออาจจะมีภัยต่างๆเข้ามา ยุติชีวิตของเราก่อนก็ได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะประมาทเราควรที่จะล้ำลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีความแน่นอนความตายนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ชีวิตของเรานี้มันไม่แน่นอนว่าจะตายเมื่อไหร่ อาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายคืนนี้ก็ได้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้หรืออาจจะตาย20ปีจากนี้ไปก็ได้หรือหสิบปีจากนี้ไปก็ได้ไม่มีใครสามารถที่ไปกำหนดได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันที่จะเป็นตัวกำหนดอายุขยของพวกเราดังนั้น เราจึงไม่ควรที่ประมาทคือในขณะที่เรามีความพร้อมที่จะบำเพ็ญตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็อย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้หลุดไปจากมือขอให้ใช้ทุกเวลานาทีที่เรามีอยู่นี้มากับการบำเพญ็ญมากับการปฏิบัติแล้ว เราก็จะได้รับผลอย่างรวดเร็วและจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังเพราะถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราถึงแม้ว่ายังไม่ตายแต่ไม่สามารถที่จะบำเท็ได้หรือติดภารกิจที่มากมายก่ายกอง ที่ไม่สามารถเปลียเวลาออกมาบำเพ็ญได้เราก็จะเสียใจขอให้เรานึกถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติจนถึงจุดสูงสุดหรือถึงจุดที่เราไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเราต้องคิดถึงภพชาติต่างๆที่เราจะต้องไปเกิด ซึ่งไม่ใช่ว่าจะเป็นภพของมนุษย์เสมอไปมีภพอีกหลายภพด้วยกันที่เรามีโอกาสที่จะไปเกิดได้ทั้งดีและไม่ดีภพดีก็คือภพของมนุษย์ของเทพของพรภพไม่ดีก็คือภพของเดรัจฉานของเปรตของนรกซึ่งมันมีเหตุที่จะพาให้เราไป เหตุนั้นก็คือการกระทาของเราทั้งในปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมาที่ยังไม่ส่งผลก็จะมีโอกาสที่จะส่งให้เราได้ไปเกิดในภพต่างๆเราจะชอบหรือไม่ชอบจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามภพชาติต่างๆเหล่านั้นได้ เพราะขึ้นอยู่ที่การกระทําของเราคือบุญและกรรมนี้เองหรือบุญและบาปถ้าเราทําบุญบุญนี้ก็จะส่งให้เราไปเกิดในที่ดีที่ชอบถ้าเราทําบาปบาปก็จะส่งให้เราไปเกิดในที่ไม่ชอบดังนั้นเราจึงควรที่จะรีบ ปฏิบัติหรือบำเพ็ญกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เรากระทำนี้ให้เต็มรอยทั้งสามส่วนคือเราให้ทานให้เต็มรอยคือมีอะไรที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อาศัยเพื่อดูแลรักษาชีวิตของเราและครอบครัวของเราเราก็อยากเก็บเอาไว้เอาไปบริจาคเอาไปทำทาน เอาไปให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เอาเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นอย่างพระภิกษุสงค์นี้เป็นตัวอย่างท่านก็เคยเป็นคารวะเหมือนพวกเราท่านก็มีสมบัติข้าวของเงินทองมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาแต่เนื่องจากท่านมีจิตศรัทธา ที่อยากจะปฏิบัติอย่างเต็มร้อยท่านก็เลยสะทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วก็มาบวชเป็นพระภิกษุนี่คือเรื่องการทำทานเต็มร้อยทำอย่างนี้ส่วนศีลก็ต้องรักษาเต็มร้อยคือต้องรักษาทุกเวลานาทีในขณะที่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่หลับไป เป็นเวลาที่เราต้องรักษาศีลอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่อย่างที่ญาติโยมรักษากันคือรักษาในวันพระหรือบางวันที่อยากจะรักษาแต่วันที่ยังไม่อยากจะรักษาก็ไม่รักษาอย่างนี้ก็จะไม่ได้เต็มร้อยถ้าอยากจะได้เต็มร้อยก็ต้องรักษาให้เต็มร้อยคือทุก ขณะที่ตื่นภาวนาก็เช่นเดียวกันก็จะต้องภาวนาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นมาจนหลับการภาวนานี้ก็มีสามส่วนด้วยกันคือสติสมาธิและปัญญาสตินี้เป็นงานเริ่มแรกเป็นงานที่สำคัญที่สุดของการภาวนา ถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถเจริญสมาธิได้และถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จำเป็นจะต้องมีสติก่อนถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถเจริญสมาธิได้แล้วมีสมาธิแล้วก็จะเจริญปัญญาได้พอเจริญปัญญาได้ก็จะสามารถกำจัดหรือทำลาย ความอยากทั้งสามส่วนที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นถ้าเราได้ทำทานอย่างเต็มที่แล้วได้รักษาศีลอย่างเต็มที่แล้วข้อต่อไปที่เราจะต้องทำก็ต้องเจริญสติอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันก็คือตั้งแต่ตื่นจนหลับเช่นเดียวกันทุกขณะที่ตื่นนี้ ไม่ให้ใจอยู่ mm. ป่าสจากสติเลยสตินี้ถ้าเปรียบ ก, ก็เป็นเหมือนเชือกส่วนใจนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับสั่งเขาให้อยู่เฉยๆได้เช่นลิงหรือสุนัขถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่กับที่เราต้องมีเชือกผูกไว้แล้วก็ผูกไว้กับมือเรา หรือผูกไว้กับเสาหรือต้นไม้สัตว์นั้นจึงจะไม่ไปไหนไม่ไปไปเพ่นพ่านไปที่อื่นแต่ถ้าเราผูกเชือกไม่แน่นหรือเชือกของเราไม่แข็งแรงถ้าเป็นเชือกกล้วยอย่างนี้เดี๋ยวสุนัขหรือหมิงก็จะสามารถกระตุกให้ขาดได้สติของพวกเราส่วนใหญ่นั้นถือว่าเป็นเหมือนเชือกกล้วย เือจะไม่มีกําลังมากพอที่จะดึงใจให้อยู่กับตัวเราได้ตลอดเวลาบางทีอยู่ได้เพียงไม่กี่วินาทีก็ไปแล้วถ้าไม่เชื่อลองทดลองดูลองบังคับจิตให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธดูดูว่าจะอยู่กับพุทโธไปได้สักกี่วินาที ว่าจะไม่ไปคิดเรื่องอื่นจะให้คิดแต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวรับรองได้ว่าไม่ถึง 20-15 วินาทีเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้าเราอยากจะมีสติเราต้องพยายามตั้งสติอยู่เรื่อยๆตอนต้นก็จะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนคือจะต้องล้มลุกคลุกคลานไปก่อน ตั้งได้สักสิวินาที15วินาทีแล้วเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ต่อแล้วพอเราได้สติอาจจะอีกครึ่งชั่วโมงหรืออีกสองชั่วโมงเราก็กลับมาตั้งใหม่บางทีไม่ได้สติเป็นวันเลยก็มีเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเจริญสตินั่นเองแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราต้องการที่จะ ไม่ไปเกิดอีกเราจำเป็นจะต้องเจริญสติอย่างอย่างมากและตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยจนถึงเวลาหลับอย่าปล่อยให้ใจนี้ห่างไกลจากกายของเราหรือห่างไกลจากสิ่งที่เราผูกไว้ถ้าเราจะผูกใจไว้กับพุโทโธ ก็ขอให้เราระลึกถึงพุทธโธไปทั้งวันถ้าเราจะผูกไว้กับร่างกายก็ขอให้เรารู้อยู่ทุกขณะว่าใจของเรากำลังอยู่กับร่างกายใจของเราไม่ได้ไปที่อื่นเช่นให้อยู่กับการเคลื่อนไหวในอิริยาบถสี่เรากาลังยืนกาลังเดิน กำลังนั่งหรือกำลังนอนก็ให้เรารู้ว่าเรากำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอนกำลังเดินอยู่อย่าให้ไปรู้เรื่องอื่นอย่าไปให้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วที่ผ่านไปแล้วหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดหรือเรื่องที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆเช่นอยู่ที่ทํางานอยู่ที่สถานที่ที่เราอยากจะไป อย่างนี้เรียกว่าเราไม่มีสติเราต้องให้มีสติให้มีจิตอยู่กับร่างกายของเราตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ก็ขอให้ใจเราอยู่ตรงนี้เช่นตอนนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรมก็ขอให้มีสติอยู่กับการฟังให้รับรู้เรื่องที่กำลังเข้ามาสัมผัสที่หูแล้วเข้าไปสู่ใจถ้ามีสติเรื่องต่างๆที่เราฟังอยู่นี้ ก็จะเข้าไปสู่ในใจแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็จะเข้าไปทางซ้ายแล้วก็ออกไปทางขวาเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวานั่งฟังไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่รู้เรื่องเลยว่ากำลังฟังอะไรอยู่เพราะใจมัวไปคิดเรื่องต่างๆนั่นเองไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ แล้วก็ได้ยินแต่เสียงอย่างนี้เรียกว่าฟังแบบไม่มีสติถ้าฟังแบบมีสติแล้วจะรู้ทุกอย่างที่กำลังได้ยินจะเข้าใจว่าและไม่เข้าใจบ้างนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของผู้ฟังถ้ามีปัญญามากก็จะเข้าใจได้มากถ้ามีปัญญาน้อยก็จะเข้าใจได้น้อย ผู้ที่มีปัญญาน้อยจึงจําเป็นต้องฟังให้มากๆกว่าผู้ที่มีปัญญามากผู้ที่มีปัญญามากนี้ฟังแล้วครั้งเดียวก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุผลได้เลยเช่นในสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นมีผู้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้เป็นจำนวนมากเพราะท่านเหล่านั้น มีภูมิปัญญาพออยู่แล้วคือได้บำเพ็ญปัญญาบารมีมามากพออยู่แล้วคือรู้จักคิดด้วยเหตุด้วยผลนั่นเองปัญญาก็คือการคิดด้วยเหตุด้วยผลเช่นเรารู้ว่าถ้าเราปลูกข้าวเราก็จะได้ข้าวอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาในทางศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำบา ใจของเราก็จะทุกข์ถ้าเราทำบุญใจของเราก็จะสุดถ้าเราปลงได้เราตัดความอยากได้ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือหลักของเหตุของผลถ้าผู้คิดอย่างนี้ฟังอย่างนี้แล้วคิดด้วยเหตุด้วยผลเป็น <c oughs> ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยเช่นพระอัญญาณโกนธัญญา ที่หลังจากฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้ามีเกิดก็ต้องมีดับเช่นร่างกายนี้มีเกิดหรือไม่ถ้ามีเกิดก็ต้องมีดับแล้วท่านก็พร้อมยอมรับความจริงอันนี้ คือไม่ฝืนท่านดับความอยากไม่ตายได้นั่นเองความอยากไม่ตายนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจพอยอมรับว่าเกิดมาแล้วต้องตายใจก็จะไม่ทุกข์จะอยู่อย่างสบายไปจนถึงวาระสุดท้ายร่างกายจะตายเมื่อไหร่จะไม่เป็นปัญหาแก่ใจอีกต่อไปนี่คือปัญญาเราต้องมีเหตุมีผล ฟังด้วยเหตุฟังด้วยผลฟังแล้วก็เอามาวิเคราะห์เราอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่จะทำให้เราหลุดพ้นก็คือการศึกษาการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของ พ, อพระพุทธเจ้าคือเราต้องศึกษาว่ามีอะไรบ้างพอเรารู้แล้วเราก็นำมอนไปปฏิบัติทานศีลภาวนานี่แหละคือ ข้อปฏิบัติของเราและเราต้องปฏิบัติให้เต็มร้อยถึงจะสามารถทําให้ใจของเราไม่ต้องกลับมาเกิดได้ต่อไปเหมือนกับคนไข้หมอให้ยาไปเท่าไหร่ก็ต้องกินให้หมดไม่ใช่กินเพียงเม็ดสองเม็ดแล้วก็หยุดกินแล้วหวังว่าจะโรคจะหายไปโรค ก, ก็จะไม่หายหมอให้ยามาเท่าไหร่ หมอสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำตามหมอให้ครบร้อยให้เต็มรอยแล้วผลที่เราต้องการก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ในหลักของเหตุและผลนี่เองดังนั้นการปรารถนาเพียงอย่างเดียวนี้ไม่เพียงพอหรือการภาวนาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นขอให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีก นี่ก็ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำไม่ให้ทำไม่ให้เราต้องกลับมาเกิดอีกแต่เราต้องปฏิบัติต้องศึกษาเท่านั้นถึงจะทําให้เราไม่กลับมาเกิดได้อีกจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามบําเพ็ญพยายามศึกษาให้มากปฏิบัติให้มากเพื่อผลที่เราปรารถนากันจะได้ปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เร็วกว่าที่ก่อนที่เราจะต้องเสียชีวิตก่อนที่เราจะเสียโอกาสอันมีค่านี้ไปเพราะเราการเกิดของเราในภายภาพน้านี้ไม่รู้ว่าจะได้มาเป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่และจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือไม่อาจจะไม่ได้พบอีกเป็นกับเป็นกันก็ได้ฉันั้นอย่าประมาทจงรีบตักตวง ประโยชน์สุขที่เราพึงได้รับในชาตินี้เสียตั้งแต่บัดนี้ไปแล้วการเกิดของเราจะได้ไม่เสียชาติเกิดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย